แผนท82ลำดับที่7โดยรลวมพ่ออิฐธวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรธานีแสดงทําในวันที่1รกรกฎาคม2558มีชื่อเรื่องว่าวางตัวและวางใจ วันนี้เป็นวันที่หนึ่งกรกดาคมพุทธศักราช2558ห้าสบแปดวันนี้เป็นวันอุโบสถเมื่อวานเป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดปีนี้แปดสองหนแปดหน้าเนี่ยแผ่นหน้าเนี่ยเป็นวันอาสาหบูชาแล้วก็เป็นวันเข้าพรรษา แรมหนึ่งคแปลว่าจากนี้ไปวันนี้แห่ะจากวันนี้ไปหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนพอดีจะเป็นวันอธิษฐานพรรษาผลนั้นวันนี้ถึงวันเป็นวันอุโบสถแต่เมื่อวานเป็นวันพระแต่ปักคารนาตกวันนี้ผลนั้นพวกเราจะได้ลงอุโบสถวันนี้พร้อมกัน คืทบถวนเรื่องศีลและวินยัยศีลและวินยัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตรถาคตยังอยู่ตราบนั้นธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสตาของพวกท่านทั้งหลายเมื่อเราตรถาคตผ่านไปแล้วอันนี้ก็คือพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ก่อนที่พระองค์จะปรินิพาน เพราะนั้นพวกเราจึงยึดถือหลักพระธรรมวินัยพอถึงวัน1 5คหา14ำสิบ่ห้าคำทุกกลึงเดือดพวกเราก็จะมีการทบทวนเรื่องศีลและวินยัยกฎกติกาดูแลพระสงฆ์ศีลินเ2็ข้อที่พวกเราได้สวดจบลงสักครู่นี้อันนี้แหะคือพระวินัยของกฎระเบียบที่ดูแลปกครองคณะสงฆ์ แต่มิใช่มีเพียงเท่านี้ยังมีอีกเรียกว่าสินอภิสมาจาร์แต่เรายังเราไม่ได้สวดเรายังไม่ได้เอาขึ้นมาแต่จำเป็นไหมเหล่านั้นสินแลวินัยเหล่านั้นจำเป็นไหมจำเป็นถึงเราจะไม่ได้สวดในเป็นสินสอีเป็นสิ 7, นสมาในอภิสมาจาร์ก็จำเป็นยกตัวอย่างดูสิจำเป็นอย่างไรอย่างภิกษุ ไม่โป่งผมเอาโป่งผมไม่โป่งผมต้องฟะต้องทุกกดเิกษุไม่โป่งผมปล่อยให้ผมยาวขึ้นมาสององคุรีคือสองข้อมือนะสองข้อมือสององคุรนะีถ้าผมยาวเกินสององคุรีปรับอวัตทุกกดแต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงแต่พอเจ็ดวัน แต่ไม่ถึงเจ็วันปองวันนี้วันพูนี้มันยาวเกินกว่าสององคุลีก็ต้องปองอีกปองทุกวันแต่ถ้าหากว่าปองแล้วผมไม่ยาวเลยปองเสร็จแล้วไม่มีผมผมไม่ไม่งอกเลยไม่มีผมก็ไม่ต้องปองอย่างในตำรับตำราในพุทธประวัติพระพุทธองค์ปองพระเเคสาตั้งแต่ปัดตัดพระโมลีครั้งแรกพระองค์ไม่เคย โป่งผมอีกเลยในในพระไตรปิฎกนะผมพระว่าพระเกศาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นม้วนเป็นก้นหอยหคลายกขาไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นไม่ยาวแต่พระของเราทุกองค์ถ้าปล่อยไว้ก็ยาวถึงจะเป็นหัวล้านก็แต่แต่พอเส้นที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยอยู่แถวแถวขอบขอ บ, ขอบหูมันก็ต้องยาว ถ้ายาวขึ้นมาแล้วก็ต้องปง่งแต่นี่พระพระสงฆ์ในเดียวนี้กติกาครบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างสายหลงปู่มั่นของเราท่านให้ปงทุกหนึ่งเดือนพอหนึ่งเดือนเนี่ยเราดูดูแล้วก็ประมาณสักไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้องคุรีนะคล้ายๆก็ไม่ไม่ยาวถึงข้อมือหนึ่ง แต่ก็ปิมๆถ้าผมตาผมคนไหนที่ผมดีผมโดกนะก็เกือบจะถึงข้อมือหนึ่งอันนี้ก็คือพ่อพินัยที่เป็นศีลอภิสมาจารย์ศีลมานอกพระปฏิโมกศีลไม่ได้สวดคำนี้ศีลคานี้ไม่ได้สวดศีลไม่ได้มาในพระปฏิโมกสำคัญไหมถ้าพระภิกษุไม่ปงผมแล้วสิผมยาวหมด และจะว่ายังไงภิกษุไว้นวดหนวดยาวก็ไม่ได้สวดในพระปฏิโมกอีกถ้าภิสูตไว้หนวดยาวจนแต่งหนวดได้ปรับอวบัดทุกกฎอีกภิสูตไว้ขนจมูกยาวก็เหมือนกันภิสูตไว้เล็บยาวก็เหมือนกันปรับอวบัติทุกกฎทั้งหมดอันนี้คือศีล น, นอกพระปฏิโมกต์แล้วศีลอภิสมาจาร์จาเป็นไหมสําคัญไหมมาก็เกี่ยวเนื่องกัน เพราะนั้นถึงสินามาในพระปฏิโมกขดีศินมานนอกพระปฏิโมกขดีสินในพระปฏิโมกและศินอภิสมาจารนอกพระปฏิโมกเราก็ต้องศึกษาว่ามันเป็นกฎกระเบียบเป็นหลักพระธรรมวินัยอย่างไรมีจุดมุ่งหมายมีจุดมุ่งมั่นอย่างไรเราต้องศึกษาในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธองค์บัญญัติวินัยเรื่องนี้บัญญัติด้วยเหตุอันใด อย่างภิกษุไม่ลงอุโบสถปรับอบัติทุกกฎอย่างนี้จะผมเนี่ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างพระพระมหากบินท่านได้สําเร็จเป็นพระหรหันแล้วท่านก็ไม่จําเป็นจะต้องสวดลงอุโบสถเพราะกายวาจาใจของเราบริสุทธิ์แล้วในเมื่อใจของเราบริสุทธิ์แล้วกายวาจาจะ ท, ทําโทษด้วยทำสิ่งที่เป็นผิดวินัยได้อย่างไรในเมื่อใจของเราบริสุทธิ์แล้วใจของเรา สะอาดแล้วการกระทำทางกายทางวาจาก็ต้องสะอาดไปด้วยเราไม่คิดสัอย่างกายมันจะทำได้ยังไงวาจามันจะพูดได้อย่างไรอันนี้ก็คือแต่ถึงยังไงก็ตามพระพุทธองค์บอกว่าใช่ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แต่องค์อื่นเขาจะเอาเป็นตัวอย่างต่อไปภายภาคหน้าเมื่อท่านบริสุทธิ์แล้วท่านก็ต้องเป็นตัวอย่างให้เขาเป็นผู้นาให้เขาต่อไปอันนี้ถ้าองค์ใดก็ตาม ไม่ลงอุโบสถปรับอ ბ ัติทุกกฎสิ่งเหล่านี้มีที่มาที่ไปในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเราจะไปมองมุมใดมุมหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งไม่ได้เราต้องดูภาพรวมพอพุทธศาสนาเป็นภาพรวมท่ า, ามกลาง เ, าเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็สูงสุดท่านไม่ให้ใจมองแต่สูงสุดอย่างเดียวเหมือนกับเราขึ้น บทยอดเขาได้ก่อนที่จะขึ้นได้นะเพราะอะไรมันก็ต้องมองตั้งแต่เบื้องต้นว่าเราปีนป่ายขึ้นมาได้อย่างไรนี่แนหะท่านยังให้ผู้ท่านนี้ได้ตรัสว่าเบื้องต้นท่ามกลางและก็สูงสุดอันนี้ก็คือพระธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะพระฉะนั้นขอให้พวกเราเป็นพระสงฆ์ทุกองค์ที่พวกเราทั้งสี่สิบเอ็ดพระทั้งสี่สิบเอ็ดโลก ที่หลงอุโบสถในวันนี้นะให้พวกเราศึกษาในหลักธรรมวินยัยหลักศึกษาในหลักธรรมความสอนของพุท ธ, ธะวินัยคือกฎระเบียบถ้าคนเราไม่มีอยู่ถ้าไม่ไ ม, ไม่อยู่ในกฎระเบียบประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นไปได้อย่างไรจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรมันก็นยิ่งกว่าสัตว์ดิรัฉานอกีกใครมีอานาจใครมีกลุ่มใหญ่ใครมีสัตราอาวุธ อ, อ, อย่างเสือ อย่างนีน้อย่างเสงอย่างเนี้ยมันก็ต้องเบียดเบียนสรรพสัตว์อื่นมนุษย์ก็เหมือนกันกลุ่มไหนที่มีอาวุธสัตว์ตราอาวุธมากพวกพวกใดที่ด้อยกว่าพวกนั้นก็เป็นอาหารของพวกที่เหนือกว่าอันนี้คือธรรมชาติของกิเลสกิเลสแต่มันไม่ลดลาวาศให้กับผู้ใดใครผู้หนึ่งถ้าใดเปรียบแล้วก็ยิ่งเอาเปรียบขึ้นไปเรื่อยๆออคําว่า จะยอมนั่นไม่มีเบ้นเสียแต่คนนั่นมีธรรมถ้ามีธรรมก็คือพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อได้ท่านได้ธรรมเข้าสู่จิตใจมีเมตตาธรรมอยู่ในจิตใจแล้วท่านก็มองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายหมู่พวกเพื่อนที่อยู่ด้วยกันการเวียน่หยตายเกิดในวัฏสงสารท่านจึงบัญญัติธรรมขึ้นมาวิัยขึ้นมา เขาเราเราเขาเขาเราตามไม่จริงเรื่องศีลไม่ใช่อื่นไกลถ้าพิจารณาดูแล้วคือเขาเราเราเขาอย่าไปทำอย่าไปเบียดเบียนแต่บางครั้งก็ผิดขาดเมตตาก็มีบางทีเขาขาดจริยะคือธรรมคือความประพฤติก็มีบางทีก็ขาดกิริยามา ร, รยาทก็มีในพระวินยัยถ้าเราศึกษาดูเราจะรู้ บางทีก็ขาดทำทางด้านจิตใจก็มีขาดทำมะทางด้านจิตใจถ้าขืนทำลงไปแล้วเนี่ยจิตใจจะหมุกมุ่นไปทางกิเลสการ ม, มัจ ก, กิเลสอย่างราคะอย่างนี้สินสินข้อที่หนึ่งถ้าว่าเราเป็นอย่างนั้นแต่เราไปจะไปตัดกิเลสได้ยังไงเพราะมันส่งเสริมกิเลสกันโดยตลอดอันไหนมันจะสวยอันไหนมันจะงามอันไหนมันจะน่ารักใครชอบใจมันก็ส่งเสริมเข้าไปอย่างนั้นนี่อันนี้คือไม่มีศินแล้ว ในเมื่อมีศีลแล้วจะตัดกิเลสส่วนอื่นมันเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะมันกิเลสตัวนั้นพาไปเพราะนั้นพระเท้าวจึงบัญญัติศีลข้อที่หนึ่งให้พวกเราศึกษาศีลข้อที่1นึั่นคืออะไรจากนั้นก็ข้อที่2องข้อที่3ที่4โทษประหารข้อที่สมี4ข้อนะคืออะไรจากนั้นกับศีลแต่และข้อนะมีความหมายทั้งหมดเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาศีลและวินยัย นี่แหละถ้าหาว่าพวกเราอยู่ในกรอบของสิทธิวินยัยเหมือนกับพวกเราอยู่ในประเทศชาติชาติไทยอยู่ในโลกของเรามีกฎหมายคุ้มครองโลกทั้งโลกก็ต่างคนก็ต่างอยู่ในกฎกติกาอยู่ในกฎหมายคุ้มครองโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่หากว่าพวกเราไม่มีกฎหมายไม่มีกฎกติกาการอยู่ด้วยกันใครมีอานาจเหนือกว่า ใครมีพักพวกมากกว่าใครมีสัตว์ราอาวุธเหนือกว่าใครมีเขี้ยมีเล็บเหนือกว่าสัตว์ที่ด้อยกว่าคนที่ด้อยกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าก็เป็นเบี้ยร่างเป็นอาหารอันโอชาของผู้ที่เหนือกว่าเพราะนั้นวินัยหรือศีลหรือกฎหมายปกป้องเพราะเขาเหล่านั้น การอยู่ด้วยกันถ้าเขาเหล่านั้นมาเบียดเบียนเราเขาที่ด้อยกว่ามาเบียดเบียนเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราที่เหนือกว่าเขาเราไปเบียดเบียนเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้พระพุทธองค์เอาเอาใจวัดกันเลยเอาความรู้สึกวัดกันเลยในเมื่อวัดกันแล้วเรารู้ได้ว่าอืเขาต้องการความสุขเหมือนกับเราเราก็ต้องต้องการความสุขเหมือนกับเขา เพราะนั้นอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ต่างเกิดมาอยู่ในโลกวัตะสงสารใช้กรรมของใครของเราอย่าไปฆ่าอย่าไปเบียดเบียนกันจนเกินไปให้รักเมตตาให้ให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขานี่แหละเรื่องศีลคือธกฎกติกาการอยู่ด้วยกันนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษา่นนี้ เออในเมื่อคนมีสินและวินัยดีแล้วเป็นผู้มีสินแล้วจะนั่งภาวนาจะทำจิตใจให้สงบหรือจะดาเนินพิจารณาทางด้านจิตใจจิตใจก็เป็นไปด้วยด้วยดีเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วเสียหายภายนอกอเราไม่ได้ฆ่าได้คดได้โกงได้เบียดเบียนใครมาเรามานั่งภาวนาทบทวนดูย้อนหลังดูวันนี้ เข้ามา่าพเจ้าไม่ได้ทะเลาะกับใครไม่ได้เบียดเบียนกับใครไม่ได้ทำความชั่วเสียหายอะไรวันนี้ใจของเราไม่มีอะไรตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่มาจูวัดป่านาคำนั้นตั้งแต่เริ่มต้นมาเราก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายมีแต่ทาคุณงามความดีเท่านั้นในเมื่อเรานั่งภาวนาใจของเราไม่ได้พิตกกังวลในเรื่องอดีตและเรื่องอนาคตเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเราจะวางแผนฆ่าใคร เบียดเบียนใครลังแกใครเราก็ไม่ได้คิดอีกเพราะฉะนั้นใจของเราไม่คิดไม่คิดเบียดเบียนต่อสรรพสัตว์ต่อหมูต่อเพื่อนต่อมนุษย์คนไหนใจของเราผเวลานั่งสมาธิจะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกใจของเราก็ไม่พิตกไม่กังวลในเรื่องที่ผ่านมาและอนาคตที่ยังไม่ถึงใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งได้ นี่แหละท่านว่าศีลอบรมสมาธิศีลอบรมสมาธิมีศีลดีแล้วเมื่อนั่งสมาธิจิตใจก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะไม่พิตกกังวลในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเ น, นีพ่พท่านเพรันท่านจึงให้สมาทานหรือรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานถ้าเราไปอยู่ในปานรงพงไัยที่เราหวาดเสียหวาดกลัว กลัวผีสางนางไม้หรือกลัวอะไรก็ตามถ้าเราเราลึกถึงศินของเราเอาเถอะข้าพรเจ้าไม่ได้ทําความชั่วไม่ได้ล่วงละเมิดทางศินแม้แต่น้อยเดียวข้าพรเจ้าเป็นผู้อยู่ในศินและวินยัย เ, เทพพระเจ้าเราเทวาอารักษ์พญามารยักษ์โขอะไรก็ตามจะมาฆ่าข่าเถอะข้าพรเจ้ามอบกายถวายชีวิตต่อศิน บุกความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตต่อคุณงามความดีข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตต่อหลักเหตุผลข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันธรรมอันบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสมันก็เชื่อมั่นในตนเองเพราะเหตุอะไรเพราะสินของเราคุ้มของด้วยศินของเราตัวของเราเชื่อมัน่นในศินเหมือนกับพวกเราเนี่ยถ้าว่า เขาหาเรื่องใส่เราว่าคนไม่เป็นทําผู้ผิดกฎหมายเอถ้าคนถ้าคนมีวัฒนมีความเชื่อมั่นในตัวเองตัวเองไม่ได้ทําผิดกล้าพูดกล้าแสดงเลยเอพราะเหตุไรเพราะตัวเองไม่ได้ทําผิดแต่ถ้าว่าตัวเองทําผิดเนี่ยถึงจะกล้าขนาดไหนก็เถอะถึงจะพูดไปก็มีพิลุตเอเพราะมันตัวเองทําผิดมาเออถึงจะพูดยังไงก็มีพิรุตอยู่งั้นแหละไม่กล้าพูดให้ชัดเจนะบให้สัยเขาก็ต้องจับได้เพราะเหตุไรเพราะ ตัวเองได้ทำจริงไม่บริสุทธิ์ในศินเพราะนั้นสิน่งทั้งหลายทั้งปวงสินเป็นเครื่องอคุ้มครองให้พวกเรามีความแกล้กลามีคาม่ามั่นมั่นในตนเองเพราะเราเป็นผู้มีสินไม่ไม่ได้ขาดตกบกพร่องในเมื่อมีสินแล้วก็มีทำจะมีสมาธิทำจิตใจของเราก็เข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบจิตใจเน่งจิตใจเป็นหนึ่ง แล้วนำจิตใจที่ผ่านความสงบจิตใจที่ผ่านความนิ่งมาแล้วนะ่ะนำมาพิจนํามาคิดเรื่องอะไรใจของเรามันนิ่งหรือคิดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวพิจารณาการคลองไตรตรองเหตุผลเรื่องอะไรก็เป็นจริงเป็นจังขึ้นมานี่แหละแยกแยะสิ่งไหนที่เป็นวิปัสสนาก็ออกเป็นวิปัสสนาที่แท้จริง เ, เห็นความตามความเป็นจริงไม่ปูปูป่า ป, าปา่ไม่งูงูป่าป่ ไม่ไม่หลงหลงลืมลืมมันชัดเจนในความรู้สึกของเราเพอเหตุไรเพราะจิตใจของเราผ่านนั่งจิตผ่านความสงบมาแล้วนำจิตที่ผ่านความสงบเป็นหนึ่งมาแล้วนำมาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายสังขารร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้านะเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันต่โจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, มัมหัวใจตับพังปืดพิจารณาอาการตามสาสบสองของร่างกายของเราในเมื่อเราเห็นร่างกายของเราชัดเจนใจผ่านความสงบแล้วเห็นได้ชัดนะพิจารณาจับอะไเห็นได้ชัดเพราะอะไรเพราะใจของเราเป็นเคยเป็นหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งมาแล้วนะเมื่อใจเป็นหนึ่งแล้วจับพิจารณาอะไรก็เด็ดขาดหรือว่าจับอยู่ได้เหมือนกับหลวงพ่ออะไรเปรียบเหมือนกับเราตัดเหล็กนะ ทางแก๊สทางไฟทางลมถ้ามันออกมาพา่ามันจะตัดเหล็กไม่ขาดนะถ้ามันหมุนให้มันหลีจนไฟเขียวปัดแยงลงแผ่นเหล็กทั้งที่แผ่นเหล็กมันแข็งเพอเจาะลงไปมันยังละลายละลายละลา ย, ลลายตัดแผ่นเหล็กก็ขาดนะเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นหนึ่งนี่ก็เหมือนกันใจของเราถ้าผ่านความสงบจิตใจของเราผ่านความเป็นหนึ่งแล้วนะ นำมาพิจารณาการกลองจับอะไรจับเกสาผมก็เห็นชัดเจนขนก็เห็นชัดเจนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายดูสิเอาเป็นกองกองไว้สิถอนขมไว้ถอนขนถอนผมไว้ถอนขนไว้ถอดเล็บไว้ถอดถอดไฟไว้ถลกหนังไว้ชำแหละเอาเนื้อออกไว้เอ็นกระดูกตับปอดไต หัวใจกองไว้เป็นกองกองกองกองดูสำหรับเหมือนกับเป็นอาจารย์ใหญ่ลักษณะอย่างนั้นะออแต่ น, นี่เหมือนอาจารย์ใหญ่คล้ายๆว่าเขาดูว่าแต่ละส่วนมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรสัมผัสกันอย่างไรเส้นเอแต่ละเส้นมันมันสัมผัสกันอย่างไรแต่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านแยกแยะให้รู้ว่าร่างกายสังขารมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะอดูให้ดีนะดูให้ชัดนะ เมื่อ <ME an> เราชำระออกมาแล้วทั้งหมดอันไหนเป็นกายอันไหนเป็นเราใจต้องถามใจตัวยใจถามใจตั ว, ร, ตวรู้ถามตัวรู้ใจถามว่าร่างกายกายของเราเนี่ยอันไหนคือเราเผมเป็นของเราใช่ไหมขนเป็นของเราใช่ไหมเล็บเป็นของเรานะฟันเป็นของเราห น, rip, หนังเป็นของเราใช่ไหมตาเป็นของเราใช่ไหมหูเป็นของเราใช่ไหม มันรูส้สิมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นเมื่อมันแยกออกส่วนแบ่งส่วนแล้วมันก็เป็น แ, è, แต่ละชิ้นแต่ละอันไปกองไว้แต่มันรวมเข้าไปนะมันก็คือเป็นตัวของเราแต่เมื่อแยกออกไปแล้วจะไปแยกว่าเป็นของเรา stake. ไม่ใช่เป็นของเราก็จริงอยู่แต่มันแยกออกไปแล้วมันเป็นของอันละส่วนละส่วนกันมันไม่ใช่ของเราเนี่ลหละร่างกายใจอีกสักวันหนึ่ง เ ธ, เธอเชื่อไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องออกไปอย่างนี้เชื่อไหม เ, เมื่อตัวเองตายแล้วเขาชำระออกไปมันจะเป็นอย่างนี้ใจเชื่อไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันมากกว่านั้นไปอีกเมื่อร่างกายตายแล้วเนี่ยเขาก็จับเข้าไปในหีบในโลงฮะจากนั้นก็าออกไปเผาไฟทิ้งยังเหลือแต่กระดูกฮะอย่างงั้นจะไม่ใจถามถา ม, ถามตัวความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง ใจก็ต้องว่าชายต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนั่นแหละร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนของเราใช่ไหมใจถ้ามันเป็นตัวตนของเราอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายมันก็ต้องฟังมันต้องเป็นของเราใช่ไหมใจใจก็ต้องว่าชายถ้ามันเป็นของเราเราก็ต้องบากบอกได้แต่นี่มันเป็นธรรมชาติของมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เกศแล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายพอตายแล้วกเนเอาไปเผาไฟเอาไปฝังดินทิ้งนั่นแะ ขนาดร่างกายอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปล่มหลงอย่างอื่นก็ไม่น่าจะถูกเหมันกันน่าใจในเมื่อร่างกายก็ ย, ยังไม่ใช่ตัวตนแล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราละ่ะเออย่างหลวงพ่อเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาสาราหลังเนี้น่ะวัดวาศาสนาเป็นของหลวงพ่ออินใช่ไหมใช่ทางดูข้างนอกแต่หลวงพ่ออินตายแล้วหลวงพ่ออินตายไม่เป็นยังไงจะเอาไปด้วยใช่ไหมโอ้ไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งหลวงพ่ออินต้องตายจาก วัดวาศาสนาแห่งนี้ไปตามบุญกุศลที่ ต, ตัวเองได้กคยทาไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปลุ่มหลงมัวมาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของของเรานะหลวงพ่ออินนะใช่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ในขณะที่เราอยู่เนี่ยเราก็บริหารไปเองบริหารเท่าที่จะบริหารได้อีกแต่สักอีกกสัวันหนึ่ง เ, เมื่อเราจบชีวิตลงไปแล้วเราก็ไปล่ะเราก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่าง ใช่ไหมใ ช, ใช่นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันให้พวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่ในสถานะไหนอย่าลืมอย่าหลงตัวเองมากเกินไปให้มองตัวเองร่างกายแท้ๆยังไม่ใช่ตัวตัวตวนของเราลาบยศสรรเสริญเงินคำทรัพย์สมบัติสิ่งนอกกายทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเราได้อย่างไรพิจารณาดูให้ดีอันนี้แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้ปล่อยวางไม่ให้ มั่นถือมั่นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นแต่เพียงปัจจัยอาศัยั่วงคล้ า, าอย่าไปยึดติดจะไปติดเกาะไม่ใช่ว่าเขามาทําอะไรน้อยหนึ่งไปฆ่าเขาทิ้งไปเบียดเบียนเขาทิ้งคิดว่าตัวเองจะอยู่ชั่วฟ้าตายไม่เป็นไม่ใช่นะใจนะอย่าไปลุ่มหลงถึงขนาดนะั้นนะใจนะต้องรู้จักหลบรู้จักหลีกรู้จักใช้ชติใช้ปัญญานะแต่ไม่ใช่จะใช้ความโง่นะให้ใช้ปัญญา แต่ถึงยังไงก่อจะไปใช้ความมุดลุความโลภความโกรธความหลงถึงขนาดนั้นมันไม่ถูกนใจนะเนี่ยจากนั้นเราก็สอนใจใจของเราก็รู้แจ้งรู้จริงรู้จักปล่อยรู้จักวางผลให้สุขวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจรู้แจ้งเห็นจริงที่ใจเพราะนั้นหรักรูมคํคำสอนของพุทธะเนี่ยท่านจึงเน้นมาอยู่ที่ใจที่ว่ามโนปุพัง คำมาธรรมมามนโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจซกสิ่งทุกอย่างนั่เมื่อเราภาวนาเราทำจิตใจให้สงบแล้วเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากใจทั้งหมดนะพ่อลูกพ่อลานน้องหนุ ง, นงทั้งหลายนะอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เราคิดให้เราดูาที่ใจแต่ที่ททแรกก็อย่างนีนะ้การอยู่ด้วยกันก็ต้องมีศีล ต้องมีวินัยในการอยู่ด้วยกันสินและวินัยยังมีอยู่ตราบใดหลักเมื่อเราสถาคตผ่านไปแล้วสินและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดานะอันนี้ก็คือพวกเราอยู่ด้วยกันต้องมีสินต้องมีวินัยต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องมีกฎหมายคุ้มครองในการอยู่ด้วยกันแต่ส่วนลึกของแนวความคิดแล้วนะเรื่องสมาธิและเดินปัญญานะนะ่อันนั้นเป็นส่วนตัวนะ เป็นเรื่องของส่วนตัวเรานึกคิดอย่างไรเราจะคิดตัดกิเลสภายในใจของเราอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราอันนี้คือแนวแถวแนวแถวธรรมของพุทธะ แ, แนวแถวของพุทธะที่ท่านได้สอนพวกพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่พึ่งถึงพวกเราจะเดินไม่ถึงถึงขั้นปลอยวางขนาดนั้นก็เถอะแต่ที่ยังไงก็ให้รู้เอาไว้ อย่าไปใช้กิเลสราคะโลภโกรธสงฆ์จนเกินไปมันไม่ใช่ของเรานะออีกสักวันทุกคนทิ้งทั้งหมดถึงจะมั่งมีขนาดไหนรวยขนาดไหนก็เถอะทิ้งทั้งหมดเพราะนั้นให้รู้เท่ารู้ทันเอาไว้รวยก็จกว่ารวยออย่าให้มันทับถมทางด้านจิตใจทุกคนจนเกินไปให้รู้จักการวางตัวนะครับเมื่อรูจักรวานกลางวางตัวเลยถึงจะรวยก็มีความสุขนะเอถึงจะจน จนแบบความทุกข์ก็มีอยู่ทุกแบบจนสุขแบบจนก็มีพระพุทธเจ้าท่้นสั้นสุขแบบจนนะท่านไม่มีบริขารมีแต่บริขาร8ดบินธ บ, บาติชันเป็นวันวันแต่ขนาดนั้นพระมหากระบินแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาพอท่านมาบวชถ้าท่านได้สําเร็จเป็นพออระอรหันต์บิณธ บ, บาติชันเป็นวันวันมีแต่บริขาร8ดเท่านั้นเอง ติดตัวท่านเียไปที่ไหนท่านว่าสุกหนอสุกหนอสุกหนอ่อจนพระในครั้งพุทธกาลบอกโ อ, อ้ท่านมหากบินเนี่ยท่านลำเลึกขึ้นมาได้เมื่อไหรท่านก็เลยเป่งว่าสุกหนอสุกหนอท่านคงจะคิดถึงสมัยเมื่อท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีสนมกำนันอัคคีเสสีเทวีลูกหลานปกครองโดยทรัพย์สสมบัติทั้งหลายทั้งปวงท่านลำลึกขึ้นมา น, นึกถึงเมื่อไหรท่านก็เลยเป่งอุบ เปล่งอุทานออกมาสุกหนอสุกหนอสุกหนอนะพระพระองค์ก่อนเรียกพระมหากบินมามหากบินท่านมีความเห็นยังไงที่พระสงฆ์เขาเห็นว่าท่านมีความสุขเผ<ป>อเผลอคล้ายๆว่าเบอเบอรเผลอเผออกมาแล้วก็ บ, บ่นพระมหากบินบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะสมัยเมื่อข้าพระองค์เป็นพระเจ้าเพนดินเรื่องจัดการเรื่องจัดงานของพระเจ้าเพ็นดินมีมากไม่รู้ว่ากองทัพกองพล ไม่รู้ปกป้องประเทศชาติไม่รู้ว่าเรื่องอะไรตัวไม่อะไรบริหารจัดการาลูกน้องบริวารข้าทาสบริวารผลละผลละเมืองประเทศชาติจะดูแลเขาด้วยอย่างไรเขาจึงจูจจดีกินดีมันมีเป็นความคิดของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดเพระนั้นพระองค่าพระองค์ออกมาบวชแล้วปล่อยวางทั้งหมดขนาดร่างกายสังขารยังไม่ใช่ตัวตนของเรา อไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเพราะนั้นข้าพระองค์จึงบอกแอ้วลึกขึ้นมาเมื่อไหร่ข้าพระองค์จึงบอกโอ้สุกหน่อสุกหนอสุกหนอ่หนอฮะเอเพราะว่าปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นพระเจ้าคา่ะนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธศาสนาให้พระลูกพระหลานฟังฟังเอาไว้นะเป็นแนวทางนะตอเ น, นื่องไปสวดท้ายปฏิโมกต์ทั้นี้นะ